ขอความสุขความเจริญจึงมีแด่ท่านผู้ฟังทงั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมในวันนี้คงพูดเรื่องมทุปปินทิกสูตรทีร่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อซึ่งได้กล่าวมาแล้วสองช่วงหลังจากพระพุทธเจ้าเสด็จลุกจากอาสนะแล้วเข้าที่ประทับเสีย พระวิสูตที่ฟังอยู่ในขณะนั้นก็ยังไม่เข้าใจชัดเจนจึงประรกันว่าท่านผู้มีอายุทั้งหลายพระผู้มีพระเจ้าทรงแสดงอุดเทศนี้ไว้โดยย่อส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนินช้าย่งครอบงำบุรุษประเหตุใดและการที่ บุคคลจะเพลิดเพลินยึดถือกล้ำกลืนไม่มีในเหตุนั้นอันนี้เทียบเป็นที่สุดแห่งอนุสัยทั้งหลายแล้วก็จะยุติปัญหาต่างๆที่กล่าวไว้ในตอนต้นก็คืออนุสัยนั้นก็มี7ประการคือราคานุสัยอนุสัยคือราคะความกับหนัดปฏวทีาดอนุสัยอนุสัยก็คือความไม่พอใจความหมงุดหงิดตำกาญทิฐานุสัย ก็คือความเห็นผิดแล้วก็วิจิกิจานุสัยก็คือความเครือบแคลงสงสัยแล้วก็มานานุสัยก็คือความถือตัวถือตนแล้วก็มาสรุปไว้ที่อวิชานุสัยคือนุสัยก็คือความไม่รู้เห็นทำความเป็นจริงเมืาอถ้าว่ามันดับเมื่อทุกอย่างก็จะหมดปัญหาการแข่งแย่งการทะเลาะวิวาทการทุบตีการต่อสู้กันในรูปแบบต่ตางๆซึ่ง แต่เรามองอีกทีหนึ่งเราเห็นว่าคืออาการละเมิดในศีลห้าประการนั่นเองทั้งหมดที่ที่ทรงยกมาเนี่ยโดท่ายชัดแล้วก็คือการไม่ปฏิบัติตามหลักของกุศลกําบทก็สืบเนื่องมาจากการพือผิดคิดผิดทำผิดพูดผิดก็ว่ากันเป็นแถวไป ก่อนในที่สุดท่านเหล่านั้นก็มาเกิดมีความคิดว่าต้องอาศัยอัตถิ ร, ะ ท, ระที่มีความรู้ความสามารถอธาธิบายขยายความให้เกิดความเข้าใจและในสุดก็ไปคิดว่าพระหมหากัจจานะแหละศาสดาทรงยกย่องว่า เปือนพรมจันทร์ผู้รู้สรรเสริญแล้วและท่านพระมหาคัจจานะสามารถชี้แจงเรื้อความแห่งอุทเทศที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อไม่ทรงชี้แจงไว้โดยพิสดารให้พิสดารได้ดิจนั้นเราทั้งหลายก็ควรจะไปหาพระมหากัจจานะสอบถามเนื้อความนี้กับท่านพระมหากัจจานะนั้นโคผู้พิุก็ไปพบอภิระหลังจากผ่านการปราศัยการพอสมควร แล้วก็นิสสุก็นั่งนัที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วก็ทบทืนเรื่องทั้งหมดที่ทกล่าวไว้ในวันก่อนเนี่ยเพราะตอนนั้นพระมหากษัตจนินะไม่ได้นั่งฟังอยู่ด้วยนิสสุทั้งหลายก็เล่าความทบกขรทูทั้งหมดให้พระเทราทราบแล้วก็มาสรุปว่าเรื่องนี้ทุกรูปมีความเห็นร่วมกันว่า อุเทศคือบทตั้งเป็นหลักการในการอาธิบายอะไรเนี่ยมันมันจะมีอยู่สามช่วงช่วงหนึ่งคืออุทเทศแปลว่าบทตั้งแล้วก็นิเทศคือบทขยายขยายบทข้อความเหล่านั้ น, นจะวิจิตพิสดารยังไงก็แล้วแต่พอถึงจุดหนึ่งมันจะปฏินิเทศคือบทสรุปสรุปประเด็นชี้ชัดในะประเด็นเหล่านั้นแล้วช่วงที่ยาวเนี่คือช่วงปฏินิเทศ แต่เราจะเห็นว่าช่วงของปฏินิเทศกับช่วงไม่ใช่ช่วงนิเทศนะฮะช่วงนิเทศกับช่วงปฏินิเทศเนี่ยไม่มีพุทธเจ้าก็แสดงเฉพาะช่วงอุทเทศคือช่วงแรกหมายความว่าถ้าต้องการเข้าใจให้พิศดารก็ต้องมีการศรึกษาต่อมีการค้นคว้าต่อมีการสอบถามต่อถ้าเรานั้นก็มากราบเรียนกับพระมหาการเยริญนะควบคุมเรื่องทั้งหมดให้พระเทวทาบ พระมหากษัจรย์เนนะ่ะในฐานะที่เป็นพระหันพุทธสาวกต้องการจะให้พระภิกษุนี่ได้สณะว่าทุกอย่างต้องยุติที่พระพุทธเจ้าหมายความพระเจ้าว่าอยังไงก็คืออย่างนั้นแต่ในขณะที่พระเจ้ายังดำรงพระชนอยู่ยังประทับอยู่แล้วก็ท่านเหล่านั้นมาให้ท่านอธิบายให้เนี่ย มันคล้ๆกับมองผ่านคือมองข้าไปแล้วก็แสดงว่ามันมีลักษณะคล้ายๆกับคนต้องการแก่นไม้แล้วก็เสาะหาแก่นไม้เที่ยวสวงหาแก่นไม้แต่วล่วงเลยโคนต้นไม้และลําต้นของต้นไม้ใหญ่มันมีแก่นเสียแล้วก็ไปสว่างหาแก่นที่กิง่งที่ใบที่ดอกที่ผลก็เช่นเดียวกับพิสุรรถนั้นะ หมายความว่าแก่นเนี่ยองคุณจะมาจากพระพุทธเจ้าและท่านก็มาจากสำนักพระพุทธเจ้าแล้วก็ต้องการจะหักแก่นจากพระเถระซึ่งก็เปรียบเหมือนกับใบไม้เปียบกไม้ดอกไม้ซึ่งมันไม่มีแก่นนี่เป็นเป็นลักษณะไม่ได้หมายความว่าพระอาาไม่มีแก่นแต่เป็นเจตนาที่เราต้องถือเป็นแบบอย่างนะว่า คนระดับพระอระหันต์โดยเฉพาะอย่างยิ่งคือระดับพระมหาคจจยนะที่สามารถอธิบายขยายความโบทกุเทศเจ้ายอดเนี่ยฮะโดยวิจิตพิสดารได้มีนิย่าต่างๆเป็นในมีความสามารถสูงพระมหาคจายนะภาษาดีบุตรพระบุณธรนระมตานีพระอ น, นนุนอะไรเหล่าเนี้ยจจะเก่งมากในเรื่องอธิบายขยายความ ทราบนัยยะแห่งพระพุทธภาสิทธิที่พระเจ้าทรงแสดงเอาไว้ก็ในสุท่านท่านก็บอกว่าทั้งมียยุทธทั้งหลายพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นทรงรู้ทรงเห็นเป็นผู้มีพระจักรสุเป็นผู้มีพระญาณมีธรรมเป็นพรหมเป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ประกาศเป็นผู้ขยายเนื้อความ เป็นผู้ให้อมะตะธรรมเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นพระตถาคตเวลนี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่ท่านทั้งหลายจะไปทูลถามต่อพระผู้มีพระเจ้าพระองค์ทรงแก้ไขอย่างไงท่านทั้งหลายก็ควรจะจำไว้อย่างนั้นเพราะเราจะเห็นว่าสถานะที่งองจากใจที่ สมบูรณ์ด้วยปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาของพระเตรญญาแลยกย่องพระพุทธเจ้ากี่ประเด็นละ่ะก็หนึ่งก็ทรงรู้สองก็ทรงเห็นสทรงมีพระจักษุสพทรงมีพระญาณหทรงมีธรรมสถานะของพระองค์ก็เป็นพรหมสืบกบด้วยไม่ตายกรุณามมจิตาอุเบกขาต่อสัตว์ทั้งหลายตามสมควรแก่กรณีแล้วก็เป็นผู้เผยแผ่เป็นผู้ประกาศ เป็นผู้ขยายเนื้อความจากย่อให้พิสดารแล้วก็เป็นผู้ประธานอมะตะธรรมคือธรรมะที่ทำบุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติตามแล้วให้ไม่ต้องตายก็คือหลุดพ้นจากอำนาจของกิเลสให้เราสังเกตว่าคำนี้เป็นคำที่พระเจ้าส่งแสดงแก่ท่านปัญจกีว่าดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายบัดนี้เราบรรลุอมะตะธรรมแล้วก็มาเพื่อจะ อธิบายแกเถอทั้งหลายจะสังสอนแกเตอทั้งหลายและที่สำคัญอย่างยิ่งก็คือเป็นเจ้าแห่งธรรมเป็นธรรมราชาพนระพุทธเจ้าเป็นธรรมราชาเป็นพระตถ า, าคตคำนี้อย่างที่เคยบอกไว้ว่ามีนัยยะถึงแปดเก้าประเด็นแล้วกันซึ่งโอกาสหนึ่งก็จะขยายประเด็นให้ฟังแต่ถ้าเราแปลเนี่ยตถาคตะคือตถาอาคาตะ แปล ว, ว่ามาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นคือมาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปพระจ้าทั้งหลายในอดีตก็ดีแม้จะมีในอนาคตก็ดีก็มีความเป็นตาถาคตคือมาโดยกรรมวิธีเช่นเดียวกันแล้วก็สถานภาพเนี่ยจะเป็นเหมือนกันทุกโองค์ก็มาอย่างที่มาแล้วก็ไปอย่างที่ไปที่สําคัญอย่างยิ่งก็คือทําให้เราเห็นว่าเราเองมันก็มีลักษณะอย่างนั้นหละ คือมาอย่างไรก็ไปอย่างนั้นหมายความการเวียนว่ายตายเกิดในสังสารวัฏเนี่ยมันเป็นเงื่อนไขของกิเลสกรรมจับใดที่กิเลสกรรมยังมีอยู่การมุนบวในสังสารวัฏก็ต้องมีอยู่หยาบกลางประนีตมันก็มีอยู่ทุกส่วนในโลกสาตวโลกทั้งหลายเวลาเนี้ยที่อยู่ในสากลปิภพในจักราวาลต่างๆเนี่ยมันก็มีทั้งประเภทที่บาปมากๆ กลายเป็นพวพอบายมีแต่บาประดับกลางก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์เป็นสุคติภพตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปเนี่ยมันก็มีเทพพระบุตรเทิดาชั้นต่างๆตามความหยาบกลางละเอียดของกิเลสายความถ้ากิเลสหยาบก็แสดงว่าธรรมะจะน้อยทีนี้ถ้ากิเลสระดับกลางเนี่ยธรรมะก็เพิ่มขึ้นถ้่กิเลสมันละเอียด กรพม่ก็สูงขึ้นภูมิจิตท่านก็สูงขึ้นภพที่จิตจะไปบัตชก็สูงขึ้นอายุก็จะสูงขึ้นเผลพวงจากการอุบัติในสถานะนั้นๆก็จะยืนยาวมากจริงๆอย่างคล้ายๆกัตริย์พบุตรเทพ ธ, ธิดาในสวงสวรรค์ที่ทรงแสดงเอาไว้เนี่ยแหมอายุสั้นยืนมากยืนจนไม่รู้จะนับยังไงเหมือนกันนะเรียนนึกตอนพระสารีบุตรก็ไม่ไม่ใช่พระโมคคัลลานะ ท่านไปเที่ยวเพื่อจะสอบถามบุญกุศลที่เทพบุตรเ ท, ทิดาในสูงสวรรค์ท่านกระทแต่เป็นเหตุที่ท่านเหล่านั้นมาเกิดในสูงสวรรค์นเนี่ยเรไปในที่หนึ่งเทวดาพอเห็นพระก็เออไม่รู้เจ้าบังเกิดขึ้นแล้วในโลกอะอเทวดาก็เล่าความเป็นมาของผูวว้เจ้าสงสารเทวดาบางองค์ก็บอกว่าอ้อรู้จักกัน ก่อนอยู่ที่นี่เองเป็นเพื่อนกันตอนนี้ก็จุติแล้วหรือไปเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วอหรือแสดงว่าเทวดาก็ประมาทมากเหมือนกันเนี่ยอยู่ด้วยความประมาทถ้าเทพบุตรจุติลงไปบังเกิดเป็นพระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยท่านยังไม่รู้แต่ตัวนี้เป็นเรื่องแปลกเนะี่ยมันเคยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดน้องคายมีสามเณรรูปหนึ่งอายุสิบแปดปี แล้วก็ตายไปแต่าก่อนที่จะตายเนี่ยมันมีเหตุการณ์พิเศษคือหลวงพ่อรูปเนี้ยต่อมาเนี่ยท่านเป็นพระเทพปราสิทธาจารย์อะไรเนี่ยกนะ็มีจิตานุภาพในเมตตาือแรงมากก็มีความรู้สึกกับสมเด็จพระสังฆาราชนะเหมือนกับลูกออกก็ท่านก็นแก่มากแล้วนะฮะแต่ก็สิ้นเวลานะ คือท่านนอนคุมการสร้างอุโบสถอยู่นอนเก้าอี้ไหนช่างก็เลิกแล้วนะการก่อสร้างก็เลิกเลยเวลาพูดเพลปรากฏเป็นยมทูตมาปรากฏตัวต่อขหน้าท่านตอนนี้แล้วท่านก็กำหนดจิตว่าต้องการอะไรไปพบกันที่ในห้องและวกันเดีย๋ยวจะลุกขึ้นแล้ว แล้วท่านก็ไปกลับไปที่กุฏิพอเริ่มนั่งนะก็ปิดประตูหน้าทางหมดอ่ะปรากฏว่าโยมทู่ก็โผล่พูดเข้าไปปรากฏางหน้าก็มาถึงก็บอกว่าผมมาจับสัตว์นรกคืนนะแต่ที่มาบอกท่านพระครูเนี่ยเห็นว่าพระครูเป็นพระที่ดีก็ให้เกียรติ พระครูถามม า, มาเอาใครไปพระสัมเนนสาก็บอกว่าหนีไปจาก น, นรกเมื่อวานเนี่ยท่านก็บอกว่าเมื่อวานอะไรเนรอายุตั้งสิบแปดแล้วท่านบอกอายุของ น, นรกเนี่ยมันยาวว่นจริงจริงมาเพิ่งหนีมาเมื่อวานเองแต่มาถึงมนุษย์อาย่สิบแปดแล้วพระครูต้องบอกว่าแล้ ว, แ ล, วแล้วคุณมีหลักฐานอะไร จะไ่รู้ว่าเนนสานีมาจากไหนหรอกเขาก็หยิบผ้าขึ้นมาสะบัดพรวดเนี่ยเป็นรูปเป็นรูปของเนรสารเหมือนกันเลยแล้วก็ที่ที่แก้มก้นเนี่ยมันมีปานดำอยู่เดี๋ยวมาทษก็ให้ดูวะเนี้มีปานดำาเนียแต่พระครูก็ขอร้องขอร้องเธอยังไงเขาก็บวชแล้วก็เป็นสัมมาเรณ์แล้ว ก็จะได้อุทิศกุศลส่งไปให้อยู่มารทุนไ ม, ม่ย่อนบอกคืนนี้ดึกผมจะเมาเพราะต้องดึกในสามเณรเป็นป่วงทายังแรงเลยแล้วก็มันบอกพระครูแต่พระครูก็ไม่รู้จะทำงไงก็ทำกันตามกำลังความสามารถและเสร็จแล้วก็เนงก็ตายแล้วเกิดสงสัยว่าเอ๊ะมันจริงเหรอเลยก็ไปดูที่จุดซึ่งเป็นปานเนี่ยปรากฏว่าจริง มมนเป็นปานพราะฉนก็ทำให้เราเห็นว่าในสังสารวัตรเนี่ยเงื่อนไขของกิเลสกรรมเนี่ยยังไงก็นําเข้าสู่การหมุนวนแหละแต่ว่าจะเกิดเป็นยังไงพบภูมิยังไงเป็ น, ปนรายละเอียดเฉพาะตัวคนนั้นเพราะฉนั้นก็คือมาอย่างไงก็ไปอย่างนั้นละกัน หมายความว่าเรามาด้วยกิเลสกักรรมเราก็อยู่ด้วยกิเลสกักรรมเราก็จากไปด้วยกิเลสกักรรมเพราะฉะนั้นชื่อเหล่าเนี้ยเป็นเป็นนัยยะที่เป็นพระพุทธคุณนะเป็นพระพุทธคุณซึ่งซึ่งเราจะเห็นว่าทั้งหมดเนี่ยคือพระพุทธคุณแล้วถ้าไปรวบรวมคําว่าพระพุทธคุณเนี่ยมันมีเท่าไหร่โอ้โหนับไม่ไหวเลยเยอะมากๆ นี่เป็นวาทะของพระอระหันต์ระดับเอตตะคะที่ได้รับยกย่องว่ามีความสามารถในขยายธรรมที่ยอดนีให้พิสดารเรือว่าที่อุบาลีอุวาทศสูตรพระโสดาบันได้กล่าวสรรเสริญพระพุทธคุณถึงร้อยบทนะว่าเป็นฉันทลักหลายล้วนเลยที่ร้บทสิบบทสิบบ ท, ส, บบ ท, ส, บบทสิบบทก็ว่าไปก็เป็นพระพุทธคุณ แตทั้งหมดมันก็มองโดยสรุปเพื่อจะเห็นว่าก็คือปัญญาบริสุทธิ์และกรุณาเป็นลนักษณะเป็นอาการของปัญญาบริสุทธิ์และกรุณานั่นเองทีนี้พระสู่านั้นก็กล่าวต่อบพระเถระว่าพระผู้มีพระพรภาคเจ้าเป็นอย่างนั้นท่านก็ยืนยันนะยืนยันคําทั้งหมดที่พระเถระกล่าวเนี่ยแต่ก็ท่านก็บอกว่า ในเวลานี้ก็เป็นเวลาอันสมควรที่กระผมทั้งหลายจะทูลถามเลือกความต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าโดยแท้แต่ว่าเนละเนี้ยพระพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปแล้วหรืเสด็จเข้าที่ประทับไปแล้วเพื่นก็มีความต้องการที่จะเรียนถามพระเถระเพราะว่าพระเถระนั้นพระุทธเจ้าส่งยกย่องแล้ว เพื่อนพรหมจันทร์ผู้รู้สังเสริญแล้วและท่านก็เชื่อมั่นว่าพระมหาขัจจานะเนี่ยสามารถชี้แจงเรื่องความแห่งอุทเทศที่พระเจ้าทรงแสดงไว้โดยย่อดได้ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารให้พิสดารได้หรืยอย่อให้พิสดารได้หรือว่าในกรณีที่ไม่ทรงชี้แจงโดยพิสดารก็ให้พิจดารได้ ก็ขอให้พระเทระชี้แจงอย่าได้อย่าได้หนักใจเลยพราะพระเทระก็เริ่มกล่าวว่าลูกกนท่านผู้มีอายุทางหลายถ้าเช่นนั้นพวกท่านจงฟังจงใส่ใจให้ดีผมจะกล่าวนะพี่สุดเหล่านั้นก็รับคำพระเถระก็เริ่มเริ่มมาจากคำว่าสัญญาเป็นเหตุเนื่งช้ารับสั่งว่า ลูกกรพิกษุที่พระผู้พระผูะ้มีพระภาคเจ้าสรงแสดงอุทเทศไว้โดยย่อว่าลูกกรพิษุคือคือทบทวนนะฮะหมายความว่าคําที่ท่านจะกล่าวต่อไปเนี่ยคือขยายอุเทศให้เป็นนิเทศแล้วก็จะไปสรุปเป็นปฏินิเทศเหมือ น, นคล้ายๆกับเวลาพระเทศนะทา่ทานทางัทงฝัง่งเราสังเกตเราจะยกคาถาที่เป็นอุทเทศขึ้นมาเป็นบทตั้งแล้วก็บอก ว่าบทนี้จะแสดงพระธรรมเทศนาพัรนาศาสาศนาธรรมคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้าแต่ตาม น, นิเคปะบทคือบทสรุปโดยสังเขปที่ยกไว้เป็นอุเทศในเบื้องต้นแปลเป็นใจความว่าที น, นี้แต่ตามปกติแล้วเนี่ยพระพุทธภาสิทธิ์เนี่ยเขาเรียกว่ามีมีอุเทศเดียว แล้วก็บางทีก็มีหลายมีหลายกรณีเวลาอธิบายเราก็หยิเบเฉพาะประเด็นประเด็นประเด็นขึ้นมายกตัวอย่างเนะเช่นเช่น <ๆ S 2> ว่ารูปังพิกเวนัตตาเป็นอุทเทนในนัตตลักษณ์สุดดูกรพิสูจน์ทั้งหลายรูปเป็นนัตตาแล้วก็มีอยู่สองประเด็นคือประเด็นหลักกับประเด็นรองประเด็นหลักคือคืออะไรคือรูปประเด็นเราต้องไั้ว่ารูปคืออะไร ทีนี้บางกรณีนเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องอธิบายเพราะเข้าใจแล้ว๋ต่บางกรณีนนก็ต้องอธิบายนะอย่างแนวพิธรมเนี่ยถ้าพอพูดเรื่องรูปเราปล่อยใหญ่เลยนะอาจจะเหลือคามารูปคําเดียวเนี่ยแต่ว่าอาธิบายกนันยังไม่จบเลยเพราะารูปมันมันมีเรื่องเรื่อ ง, เ ร, องเรื่องเยอะมากเพราะแนวพิธรมมันจะสรุปโลกเป็นรูปนามแต่นั้นเองธรรมะในพุทธาสนาที่จริงก็สรุปเป็นรูปนามหรือนามมารูปก็แล้วแต่จะเรียกกันนะะ คือโดยมิติของพระพุทธศาสนามองสรรพสิ่งยกเว้นปณิพานเป็นขันห้านั่นจะอยู่ในขันห้าทั้งหมดระบบการศึกษาระบบการเมืองเศรษฐกิจสังคมไม่รู้อะไรแหละมันพัฒนาขันห้าเท่านั้นแหละแต่ขันห้าพัฒนามาดีมันก็แก้ปัญหาให้แก่ตัวขันห้าที่เป็นองค์รวมได้ในความขันห้าของเราแต่ละขันนี่มันมีประสิทธิภาพรูปขันมีสติปิภาพสัญญาขันมีประสิทธิภาพ เวทนาขันมีประสิทธิภาพสังขารและขันจะมีพลังของฝ่ายกุศลมากทําให้วิญญาณขันเนี่ยมีคุณภาพมันก็กลายเป็นกระบวนการไพัฒนาการขึ้นมาภายในระบบทั้งหลายเนี่ยระบบการศึกษาทั้งหมดที่จริงก็คือระบบที่มันเป็นพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษย์ให้มีความบริเนตมากยิ่งขึ้นไป แล้วก็สามารถที่จะบริหารตนเองบริหารงานบริหารคนบริหารองค์กรสถาบันอะไรก็ว่ากันไปแต่เราเห็นว่าที่จริงก็เป็นการสะท้อนของประสิทธิภาพของของขันห้าเนี่ยว่ามันมันพัฒนามาได้ขนาดไหนละ่ะเราอย่าลืมว่าขันห้าเนี่ยพอพัฒนาถึงจุดหนึ่งมันเป็นทิฟต์เลยนะฮะตาก็เป็นทิฟย์หูก็เป็นทิฟต์ใจก็เป็นทิฟ์ ที่นี้ประสาท ส, ส่วนอื่นมันอาจจะไม่เป็นทิพย์กายที่เป็นองค์รวมเนี่ยก็สามารถใช้ในภาวะที่เป็นทิพได้แต่ว่าจะมูกลิ้นกายเนี่ยจะหมูกลิ้น ก, กับกายสัมผัสนะฮะมันก็ไม่ได้เป็นทิพย์แต่ ว, ว่ากายเป็นองค์รวมเนี่ยเป็นทิพได้ประธรรมมันสามารถท่านจะไปปรากฏตัวในที่ต่างๆได้ด้ว ย, ยทิฏฐิวิธีหรือโมโนมยิทธิในแนวความพิญญา เพราะงั้นพระเทเรซจึงมาเริ่มตรงนี้ก็ทบทวนข้อความจากขั้นต้นที่ที่ทรงแสดงไว้แล้วก็เสด็จเข้าที่ประทับเนี่ยหลจากนั้นก็รับท่านท่านก็กล่าวว่าดูกรอพิสูจ์ทั้งหลายจากครูวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยตาและรูปเพราะประจุมสามประการจะเกิดผัสสะเพราะผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาบุคคลเสวยเวทนาอันใดก็จําเวทนานันาน้ น, น บุคคลจำเวทนาอันใดก็จึกนึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลจึกนึกถึงเวทันเ ว, นวนทนาอันใดก็เนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันนั้นบุคคลเนิ่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใดส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนิ่นช้าย่อมครอบงำบุรุษผู้เนิ่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุรู้ทั้งหลายที่บึงรู้ด้วยตาเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีนะอันนี้ก็คือประเด็นแรก โดยจะเห็นว่าประเด็นตรงนี้ที่จริงเป็นประเด็นใหญ่เพราะว่าโลกของเราเป็นโลกขันสัมผัสแต่ท่านฟังลองมองไปที่กฎของปัจจัยการกฎของปฏิจจสมบาทเฉพาะชั้นนี้นะคือจะพูดที่ตอนตั้งแต่อายตนะไปแต่ว่าในปฏิจจสมบตัตยมันเริ่มจากอาวิชาเป็นปัจจัยเกิดสังขารสังขารเป็นปัจจัยเกิดบุญญาณบุญญาปัจจัยเกิดนามรูปไอ้ น, นี้เป็นนามรูปแล้ว นะพูดในช่วงที่หมายความเมื่อเราเกิดแล้วอ่ะแล้วเราเองก็เป็นผลผลมาจากอวิชากับพภิสังขารแล้วเราก็ได้เป็นนามารูปหยาบ ก, กลางละเอียดก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งในความเป็นนามารูปเนี่ยเราก็มีอายตนะภายในแล้วก็เป็นอายตนะภายนอกของคนอื่นแต่พระเทระไปตับที่ตัววิญญาณ แต่ว่าในความเป็นจริงเนี่ยหมายความมาตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นรักายถูกต้องเย็นร้อนอ่อนขขางแล้วก็จิตเหนียวนึกตึกนึกถึงอารมณ์ที่สัมผัสหรือเก็บสะสมไว้ภายในใจก็ตัวเนี้ยเราเรียกว่าวิญญาณวิญญาณก็คือความรู้รูปทางตารู้เสียงทางหูรู้กลิ่นทางจมูกรู้รัทางลิ้นรู้เย็นร้อนอน่อนแข็งทางกายแล้วก็รู้อารมณ์ทางใจ ตรนี้เขาเรียกว่าวิถีวิญญาณบ้างเรียกว่าวิญญาณขาคารบ้างเพราะวิญญาณเนี่ยจึงเป็นคําไปใช้ในที่ต่า ง, างๆหลายแห่งเวลานี้เรามีคํามาจากภาษาฝรัง่งเราแปลมาจากภาษาฝรัง่งแต่ที่จริงก็สื่อสารได้ดีนะเขาเรียกว่าจิตวิญญาณที่จริงจิตก็คือก็คือวิญญาณวิญญาณก็คือจิตนะวิญญาณก็คือจิตที่ทําหน้าที่รู้อารมณ์ทึ่งผ่านมาทางภาษาสัมผัส จิตก็จะทําหน้าที่จำซึ่งเราเรียกว่าสัญญาจิตก็ทําหน้าที่คิดที่เราเรียกว่าจินตนาจิตยังทําหน้าที่สะบุ้อเวทนาสุขทุกเนี่ยเราเรียกว่าเวทนาพวกนี้ในแง่ของอภิธรรมในแง่ของสภาวธรรมนะ ก, ก็ถือว่าเป็นสัญญาขันเป็นวิญญาณนะคะรับวนกระบวนการตรงเนี้พระเถราก็แสดงมาว่าด้วยการประจวบพร้อมของอายตนะภายในภายนอกวิญญาณเนี่ยมันกลายเป็นผัดสะคือการกระทบ เพราะเมื่อวิญญานมันมีหกแต่สัมผัสก็มีหกสัมผัสอะไรก็สัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจทีนี้พอมาสัมผัสแล้วก็กลายเป็นว่าอายตนะภายในภายนอกวิญญาณก็กลายเป็นสัมผัสคือการกระทบก่อกระทบทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจ จากนั้นจะเกิดเป็นเวทนาคือการจิตที่สวยอารมณ์อาจจะเป็นสุขเปทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่สุขก็แล้วแต่ว่าจิตมันมีความรู้สึกต่อสิ่งที่สัมผัสอย่างไรมันไม่มีข้อยุติหรอกก็เรียกว่าร้อยความคิดร้อยจิตใจตการตัดสินใจชอบหรือไม่ชอบยินดียินร้ายที่ท่านเรียกว่ายินดียินร้ายเนี่ยถ้าเรายินดีก็เกิดสุขเวทนา เรายินร้ายก็เกิดทุกขเวทนาทีนี้อาังจากนั้นจิตก็จะจําจําตัวนี้ เ, เก็บไว้ภายในใจเลือค่อยๆกระเราพบเรามีความรู้สึกพอใจในนายกอ่อจากกันหลายปีเจอกันก็ยังมีความยิน ด, ดีที่ได้เจอกันเราเกลียดนายขอหยุดเราเกลียดนายขอแล้วก็จากไปหลายปีพอเจอหน้าก็ ย, ยังเกลียดอยู่แล้วก็แสดงให้เห็นว่า พวเนี้ยพอเราเจอนายคอเราก็สุขเวทนาพอเจอนายคอเราเกิดทุกขเวทนานายคอเนี่ยเราเคยพบแต่ไม่มีจุดประทับใจในด้านบวกหรือด้านลบหลายปีแล้วไม่พบพอพบกันก็รู้สึกเฉยเฉยาล้วกากลายเป็นเวทนาสามกลุ่มถ้าเราชอบใจก็เกิดเป็นสุขเวทนาถ้าเราไม่ชอบใจก็เกิดเป็นทุกขเวทนาถ้าเราเฉยเฉยก็เป็นอทกกรมสุขเวทนา วันประเทเรซก็บอกว่าเพราะจำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกนึกถึงเวทนาอันนั้นหมายความอะไรตัวตัวสุขตัวทุกข์เราคิดไปคิดมาเนี่ยเราจะถึงคนนะฮะคนที่ทาให้เราชอบเราชังเช่นเรานึกถึงจุดที่ทำให้เราเจ็บใจก็ ค, คิดไปคิดมาก็ไปถึงคนละ ทีนี้จะห ล, บลาาับตาก็ไปเตลิดหายไปเป็นร ะ, ระดับเขาเรียกวความโกรธที่เกิดจากความโกรธความโกรธที่เกิดจากความรักก็ก็ไปอีกเรื่องหนึ่งเลยขยายแนออกไปได้มากก็แล้วแต่ว่าใครจะคิดเพียนได้ขนาดไหนทีนี้บางทีเนี่ยเราจําในส่วนที่ดีเราก็ตืบดึกในส่วนที่ดีเพราะน่าจะเห็นว่าในวิตก ฝึกนึกหรือสังกับสังกบป่าที่ฝึกนึกเนี่ยมันจะมีอยู่ฝ่ายละสามกลุ่มใหญ่คือเนยก็ฝึกนึกดหน้าความไพ่ก็แสดงว่าเราเก็บความรู้สึกในทางโลภะไว้ในทางราคะไว้เราก็สึกนึกถึงเขาด้วยราคะด้วยโลภะหรือสึกนึกด้วยความอาคติยาบาทแสดงว่าเราเก็บความไม่พอใจเอาไว้จึกนึกด้วยความคิดใน การบิดเบียนการปทุสรายแสดงว่าพื้นฐานจิตยึดสภาพจิตเราจำแย่มากถูกครอบงําด้วยหิงสาหรือความคิดเบียดเบียนเวลนี้เราเห็นว่าคําว่าบิดเบียนเนี่ยที่แปลววิหิงสาถ้าไม่เบียดเบียนเขาเรียกไอหิงสาไอหิงสาเนี่เจนจริงๆเออเป็นบรมธรรมนะฮะหิงสาปรามโอตรามโอหิงสาเป็นบรมธรรม เป็นสุดยอดของการอยู่ร่วมกันของสิ่งมีชีวิตทั้งหลายเราเนื้อหาสาระจริงๆของอหิงสาเนี่ยอวิหิงสาเนี่ยก็คือการไม่เบียดเบียนเรื อ, อหิงสานะฮะก็คือการไม่เบียดเบียนก็คือจิตที่กรุณาแต่เวนี้เราจะเห็นว่าก็นำไปใช้ปลู ก, กระดมปลูกมอบทั้งหลายเนี่ยอหิงสาเทนั้นนะอหิงสาโหสีแล้วก็บอกว่าเป็นการชุมนุมอย่างสันติ เบียดเบียนคนเยอะนะฮะแกยังคิดว่าแก่สันติอยู่นั่นก็แสดงว่ามันมีความสับสนในสภาพจิตของตัวเองโดยไม่ดูจิตตรงเนี้ยมันจิตมันร้อนจิตมันเรร้อนพอเร่าร้อนมันก็กลายเป็นสัญญาเครื่องเลื่อนชา้าหรือไม่ตึกนึกในเวทนาใดก็จะเนื่อนช้าอยู่ที่เวทนานั้นคนเนี้ยเราไม่ชอบมนะันคิดถึงเมื่อไหร่ก็จะเกิดโทสะเมื่อ น, นั้น และจะคิดอาฆาตมาต ร, รายมุ่งล้างผลาญมุ่งทำลายซึ่งจริงเป็นความรู้สึกส่วนตัวคนเหล่า น, นั้นก็รับซ้ก้กิเลสรับซ้ก้กิเลสรับใช้ความไม่พอใจความโกรธความอาฆาตพยาบาทของตัวเองแล้วก็ไประบายใส่คนอื่นเพราะเก็กลุ่มได้มากๆก็อพูกนี้เลยไม่เคารพกฎเกณฑ์อะไรเลยหรือว่าตัวเองเนี่ยคือศูนย์แห่งความถูกต้อง แตใครคิดผิตจนตัวเองก็คือผิดหมดเพราะฉะนพวกเหล่า<ๆ> น, นี้ยบางกลุ่มก็จะนั่งพิพากษาสังคมอย่างคล้ายๆกระแสในยุคที่คอมมิวนิสต์แพร่หลายเนี่ยเราจะเห็นว่าแต่คนเหล่านี้ก็ตั้งตั้งตังตัวเป็นเสร็จนะฮะเป็นสารนิกาเลยพิพากษาสังคมคนนั้นผิดคนน้นผิดคนนี้ผิดคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้เลยฆ่าคนซะเยอะเลย ประเทศเราอย่างดีนะน้อยแต่ว่าหลายๆายประเทศที่ข้าเนะเพราะอะไรเพราะสัญญาตัวนี้มันเป็นเหตุหเรื้อรังช้าเนี่ยวรังจิตเอาไว้เอต้องตอบสนองหรือต้องทํำลายล้างก็ แ, แล้วแต่นะบุคคลที่เราต้องการทํำลายลา้างมันก็เนี่ยวรังจิตเราให้อยู่ด้วยความอาฆาตพยาบาทวัตถุบุคคลสิ่งที่เรากําหนดด้วยหน้าความคลายมันก็เนี่ยวรังจิตเราไว้ ให้เกิดความมุ่ง ม, มา่ปรารถนาต้องการได้ต้องการมีต้องการเป็นต้องการครอบครองถือครองนะเป็นเจ้าเข้าเจ้าของเพราะฉนั้นทั้งหมดมันมันก็เป็นขั้นเป็นเป็นสัญญาเครื่องเนื่นช้านะแต่เราจะเห็นว่าสัญญากับเวทนาเนี่ยเขาเป็นจิตสังขารหมายความว่าสัญญาอันใดเวทนาการ น, นั้นเวทนาอันใดก็สัญญาก่นันนั้นแหละเช่นว่าสัญญาจําไว้ในคนนี้เราไม่ชอบ เวลาสเสวยอารมณ์ปวดนึกถึงมันก็เกลียดแต่ความไม่ชอบมันก็ปรากฏอยู่ในเวทนาทีนี้เสร็จแล้วมันจะย้อนกลับไปที่พระเจ้าทรงแสดงนะฮะที่ทรงแสดงเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไปเพิ่มหมดอะไปเพิ่มพวกอนุสัยหรือความเข้มข้นของอนุสัยแล้วมันจะพลิกอีกด้านหนึ่งกลับมานั่นก็คืออะไรก็คือการจับท่อนไม้การจับสัตราการทะเลาะการถือผิดการโทษเชียงการด่าว่า การสอดสียดยุโยงการกล่าวเท็จอกุศนะลธรรมลาโมกเหล่าเนี้ยมันจะเกิดออกขึ้นไปแล้วขยายผลต่อไปเป็นมวลชนบางครั้งบางคราวมาสารกฎหมายทําอะไรไม่นด้มันเยอะเกินไปกฎนะหมายระยอมจนอนํานวนในคนเหล่านี้สังคมเรามีเยอะนะหลายครั้งเราสังเกตว่ามีพระราชบัญญัตินิรโทษ ก, กรรมมีพระราชบัญญัติล้างมลชินนะคนทํำชั่วทําผิดมันเยอะพอเสร็จแล้วมันพ่ายแพ้ต่อกระแสทางสังคม เพราะถ้าจะขึ้นเดินหน้าต่อไปเนี่ยมันกลายเป็นปัญหาทับทวีขึ้นมาอีกเยอะเลยในเรื่อแก้ปัญหาโดยวิธีการของกฎหมายนะฮะแต่ว่ า, าคนเหล่านั้นต้องสนักนะในกรณีที่เป็นกรรมซึ่งเธอทำไปแล้วพูดไปแล้วคิดไปแล้วเนี่ยเธอจะต้องรับผลของกรรมนั้นในแง่มุมกฎหมายใช่คุณบริสุทธิ์แต่ในแง่มุมของกรรมเธ อ, อยังเรียบร้อยเลยเธ อ, อยังไม่ได้ชดใช้ผลกรรมนั้น เหตุการณนั้นจะตอบสนองในชาตินี้โดยชาติต่อไปหรือชาติต่ อ, อ, ต, ต, อต่อไปเห็นไหมมันเหนี่ยวรังไว้ในสังสาระทุกเลยโอ้ก็จริงเนี่ยมันเหนี่ยวรังไว้ม่ไม่ใช่เหนี่ยวรังไว้เฉพาะเฉพาะชาติปัจจุบันแต่เหนี่ยวรังไว้ในสังสารวทุกเลยเพราะอะไรเพราะว่าเป็นอาการของกิเลสแต่ทีนี้ในกรณีเนี่ยพระพุทธเจ้าทรงแสดงว่าเป็นส่วนแห่งสัญญาเครื่องเล่นช้า นะอย่าครอบงำจิตของบุคคลเอาไว้ก็ให้เกิดเป็นสุขเวทน า, เ, าเวทนานั้นก็เป็นเหตุในรูปทั้งหลายที่พึงรู้ได้ตาเพราะมันกระจายนั้นเราจะเห็นว่าไอความรู้สึกรักสางเนี่ยมันสะสมอยู่ภายในใจเพราะันใจมันจะวิ่งเข้าหาอดีตก็มีไปหานาคตก็มีไปค า, าดแค้นทิ้งซังกำหนัดเพลิดเพลินที่จมยินดีอยู่กับปัจจุบัขนขณะนั้นๆก็มี มัืเื่องจากสืเนื่องจากสัญญาสืบเนื่องมาจากตัวยิ่งสืบเนื่องมาจากประษาสัมผัสหรือสาวัยลึกเนี่ยสืบเนื่องมาจากเราเกิดมาทีนี้ลึกไปกว่านั้นก็สืบเนื่องมาจากอวิชากับสังขารที่เป็นเหตุเราเกิดเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าช่วงของปฏจกิริยาในช่วงช่วงของปฏิจจสมบาทในจงตรงนี้นะฮท่านจะแสดงมามาถึงแค่เวทนาแต่ยืหลุดจาเวทนามันนําไปสู่ตัณหาตัณหามันนาไปสู่อุปทานอุปทานนำไปสู่พบพบนาไปสู่ชาติ ก็หมุนวนกันไปอีกเรื่องนึ่งทีนี้ถ้าก็ยกมาทุกทุกกรณีของภาษาสัมผัสคือหมายความมาทั้งหกออกมาทั้งหกภาษาสัมผัสเนี่ยดังนั้นข้อความจะเป็นอย่างเดียวกันเรดูก่อนผู้มีอายุทั้งหลายโสตาวิญญาณเกิดขึ้นเพราะอาศัยหูและเสียงเป็นปัจจัยนะหมายความว่าหูเนี่ยมันมันเป็นอายตนะภายในในตัวเรา เสียงเป็นอายตนาภายนอกแต่ในขณะเดียวกันนะรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสของเราก็เป็นอายตฐานอายตนาภายนอกของคนอื่นคนอื่นเนี่ยรูปรักษ์ของคนอื่นทั้งตัวเนี่ยมันเป็นอายตนะภายนอกของเราเมื่อเขาก็มีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีสัมผัสเหมือนกันเดรานกันกา ร, รสัมผัสส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างมีอิทธิพลมากเนี่ยก็คือระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ มันยุ่งมากๆเนี่ยระหว่างมนุษย์กับมนุษย์ที่คอยเกิดความยินดียินร้ายเกิดความรักความชางังเกิดต่อสู้เปิดประหารประหารกันทําลายล่างกันวุ่นวายไปหมดเลยเป็นศึกสงครามล้างพลงังฐานเผาพันอะไระอะไรกันมันก็มีแอ่ะมันไปเกิดมาจากสัญญาเครื่องเนิ่นชา้าที่อาศัยความเข้มข้นเกิดขึ้นจากความเข้มข้นถ้าเราพูดโดยสรุปง่ายๆเนี่ยของตัณหามาณนพะิจิ คือผู้รวมรวมเนี่ยตัณหามนักจมันก็เกิดเครียดเอตังมามะนั้นเป็นของเราของเราของเราก็ว่าไปเยอะเลยแล้วก็เอโสมัสมิเราเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นเป็นนั้นก็ว่ากันไปเอโสเมตตาของตัวตนอะไรอนั้นเป็นตัวเป็นตนของเราเราเที่ยงแท้เรายั่งยืนเราไม่แปรผันเพราะฉะนั้นจะมีการต่อต้านความรู้สึกว่าไม่ยั่งยืนไม่เที่ยงแท้ไม่แปรผันซึ่งมันที่จริงไม่ใช่ความรู้สึกมันเป็นกฎแล้วพวกนี้ไปเสด็จกฎ เราเลยก็ปรารถนาความเี่งแท้ความยั่งยืนความไม่แปรผันเพราอนั้นใครจะทำให้เขาเกิดไม่เท่งแท้ไม่ยังหยืนแปรผันจะเกิดโทสะแล้วก็ออกมาในรูปของการทำลายล้างมีการต่อสู้กลายเป็นศึกสงครามรบราค้าฝันกันเขาวากันไปเยอะแยาไปหมดเลยตรงนี้ที่จริงมันท่านผู้ฟังคงได้ยินนะฮะว่ามันมีระบบอะไร iQ กับ eQ นะอะไรเนี่ยระบบ i คกับอ และต่อไปนี่จะเป็น MQ นะจะเน้นเรื่ MQ มากยิ่งขึ้นกอยังยังนึกเสียดายสังคมเราเคยสมัยเป็นเด็กเนี่ยเคยได้อ่านหนังสือเรื่องเรื่องกลินกรอบแก้วคือว่า ม, มีประโยคว่าซื้อตาปูมาไว้ใช้เผาวันเรียนความดีมาไว้แต่ใช้ความชั่ว หมือก็ซื้อตะปูมาไว้แล้วก็ใช้ตะ ว, วันจิตมืดมือจิตมืดมัวจิตมองมัวเมืดมิดเป็นอย่างมากคือการเรียนรู้ของเราเนี่ยเราไปชื่นชมยินดีกับฝรังมากเกินเหตุอะใกล้ๆฝรังเป็นเทพเจ้าฝรังพูดอะไรถูกหมดเลยคนไทยพูดแล้วก็ผิดหมด โดยโดยลืมไปว่าในโลกเนี้ยมีมนุษย์ที่สัต ร, รู้เป็นอารหาันต์สมมาสัพพุทธเจ้านีนมีคนเดียวนะวก็คือพระพุทธเ้าองค์เดียวเป็นสัพพัญญูจริงพิสูจน์ได้ที่ตัวคําสอนพิสูจน์ได้โดยการสืบต่ออย่างต่อเนื่องมาของพระพุทธ ศ, ศาสนาแล้วก็พิสูจน์ได้จริงๆก็คือต้องลงมือระพติปฏิบัติ เพราะระบบทั้งหมดเนี่ยที่จริงเราจะเห็นว่ามันเป็นระบบของอะไรนะอันนี้ก็คือคือสังขารนะฮนะคือคือใจรักที่จะคือคือขนันห้าขนหาก็บใจรักด้วยนะั่นแหละก็คือขนันห้าตัวนี้เวทนาสัญญานะฮะเวทนาขนันสัญญาขนันแตอย่าลืมอายตนาภายในภายนอกเนี่ยมันเป็นทั้งรูปประขนันแล้วก็ตั้งเป็นนามะขนันมันก็หมดละ รวมเป็นกระบวนการทางจิตทั้งหมดก็เกี่ยวกับยถาธรรมภายในภายนอกทีนี้ในในการรู้ทางตาซึ่งเกิดขึ้นจากหูฝังเสียงก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกั น, กนหมายความว่ามันจะเกิดวินญาณขึ้นเรียกโสตะวิญญาณเปลี่ยนเฉพาะชื่อนะฮะเป็นเรียวโสตะวิญญาณแรื่ความรู้ทางหูทีนี้รวมสามอย่างเนี่ยมันเป็นสัมผัสผัสสะนั่นเองว่าสัมผัสคือถ้าเรียกเต็มๆเนี่ยเรียกว่าจักขู่สัมผัส สัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิ้นทางกายแล้วก็ทางใจทีนี้จากตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นเวทนาเวลาเขาเรียกเป็นเต็มจริ ง, รงๆอ่ะก็เรียกว่าจากักสุสัมผัสสชาเวทนาความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นเพราะจักสุสัมผัสเป็นปจัจจัยแล้วก็เรียงมาเรื่อยนะโสตสัมผัสสชาเวทนาคารสัมผัสสชาเวทนายิวหาสัมผัสสาเวทนากายยสัมผัสชาเวทนาจนถึงมนุสสัมผัสสชาเวทนา หมายความความเสวยอารมณ์ที่เกิดขึ้นมาจากตาเห็นรูปจากหูฟังเสียงจากจมูกลมกลิ่นจา ก, กลิล้นริมรดจะกกายถูกต้องเย็นยนร้อนอ่อนแข็งและจากใจที่เหนียวนึกตรึกนึกถึงธรรมาอรร า, อ า, อารมณ์ทั้งหลายเพราะนั้นพระเถระก็บอกว่าดูก่อนท่านผู้มีอายุทั้งหลายมโนวิญญาณเกิดขึ้นหมายความวิญญาณทั้งหมดนะ่ะฮะจากขุวิญญาณโสตวิญญาณคณะวิญญาณทิวห์วิญญาณกายจวิญญาณ มันเกิดขึ้นเพราะอาศัยใจและก็ธรรมารณ์หมายความว่าถ้าจักขุบิญญาณก็อาศัยตากับรูปโสตะบิญญาณก็ใจหูก็เสียงขานวิญญาณก็อาศัยกลิ่นกับจมูกยิวหาวิณญาณก็อาศัยรสกรลิ้นกายเจวิญญาณก็อาศัยกายกับผุทพภะคือสิ่งที่มากระทบกายอาจจะเย็นอาจจะร้อนอาจจะอ่อนอาจจะแข็งเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าผุทพภะเพราะงั้น เออพวกเหล่านี้มาถึงข่านก็แสดงว่าเพราะมีผัสสะเป็นปัจจัยจึงเกิดเวทนาบุคคลสวยเวทนาอันใดก็จำเวทนาอันนั้นบุคคลจำเวทนาอันใดก็ตรึกนึกถึงเวทนาอันนั้นบุคคลตรึกนึกถึงเวทนาอันใดก็จะเนิ่นชายอยู่กับเวทนาอันนั้นเหยแม้วันที่สุขเวทนาเพลินเลยเล่นไพ่เพลินเลยไม่ข่าวห้องน้าไม่ดื่มน้าไม่อะไรตะ่ะไร ไม่ปวดปัสสาวะไม่ปวดอุจาระเลยเพลินไปเลยเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าไอ้เวทนาเนี่ยมันอยู่ที่เรากําหนดว่าอันไหนมันเป็นสุขอันนั้นเป็นทุกข์เนี่ยเราก็หาเข้ อ, อยุตยิไม่ได้หรอกบางค น, ค น, ค น, คนมันคนมชอบคนละอย่างอ่ะก็เป็นเรื่องจิตใจของคนแต่ละคนทํานองที่ท่านบอกไว้ว่าสองคนยนดำช่องคนหนึ่งมองเห็นโคลนวมคนหนึ่งตาแหลมคมมองเห็ น, นดาวอย่าเปล่าใค แต่ในมิติตัวนี้แต่จะเห็นว่าถ้าพระอารหันท์ท่านมองพระพุทธเจ้าท่านหมองมันก็สักไปเอาเวทนามันไม่มีอะไรเลยกระบวนการทั้งหมดอิสระไปว่าอะไรกันเลยสักไปว่ารูปสักแต่ว่าเสียงสักต่ว่าตาหูจบุกลิก้กกนกรร า, ยายใจเนี่ยสักไปว่ารูปเสียงกินรถรถรับปากไปเลยพอไม่ใส่ใจเนี่ยกระบวนการเหล่านี้มันก็ดับเพราะจริงมันมันเกิดแต่มันดับแล้วนะแต่ที่เราเก็บไว้ที่จริงมันจํามันเป็นความจํามันเป็นสัญญาขัน แต่ว่าการเห็นรูปเนี่ยเกิดเห็นปั๊บมันก็ดับปุ๊บไปแล้วถ้าเรามองนานๆมันก็เกิดดับเกิดดับอย่างนั้นแหะก็เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องแต่ว่าที่เราเป็นเหนี่ยวถึงอดีตอนาคตปัจจุบันหยาบละเอียดเล็บระนีอยู่ระยุกระ่ยายเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการเก็บสะสมการปรุงคิดการคิดปรุงของบุคคลแต่ละคนเพราะฉะนั้นพระเทพรกักษ์อธิบายว่า บุคคลเนื่นช้าอยู่ที่เวทนาอันใดส่วนแห่งสัญญาเครื่องเนื่นช้าก็ครอบงำบุรุษเพราะเนื่นช้าอยู่ที่เวทนานั้นเป็นเหตุในธรมรมะณ์ทั้งหลายก็จะพึงรู้ได้โดยใจเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีนะมันเป็นอยู่ในการทั้งสามแล้วลองสังเกตมันเป็นวิถีชีวิตไปเลย เป็นวิถีชีวิตเป็นวิถีสังคมเป็นลักษณะทางอารมณ์ของสัตว์โลกที่ยังเกี่ยวเกาะด้วยธัรมามณฑทิฏฐิอยูนะ่สัญญาเป็นเครื่องเิ่นช้าจะเกิดขึ้นแก่บุคคลผู้มีสภาพจิตเป็นอย่างนี้มากน้อยแตกต่างกันตามบุทธิภาวะของบุคคลเหล่านั้นทฟังเท่าไหร่เสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปทุมในวันนี้ข อ, อยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพรูในธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดยูทั่วกันสวัสดี